พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลายควรกลับไปที่เดิมแต่ในครั้งนี้อาวุธติดตัวไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ทัดสอนี่แหละวันนั้นคือวันที่แสดงการณียมิตาสูตรเกี่ยวกับการเจริญเมตมตากรรมฐานทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลาย เวลาสาดตาใหญ่ก็ต้องสาดตาใหญ่บุตรกัลยาณเมิตสูเวลาเดินก็ต้องขำนดเมตตาจิตเมื่อยือนก็ต้องขำนดเมตตาจิตเวลานั่งอยู่นั่งสมาธิก็ต้องขำนดเมตตาจิตพักพอนอนอยู่ก็ต้องขำนดเมตตาจิตสรุปก็ทรงให้แนวนาว่าเจริญเมตตากรรมฐาน ทุกเวลาทุกอิทยบิบาทเมื่อพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้นะโยมความแตกต่างกันพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลไม่ได้ถามว่าอันนี้คือสมตาหรือเปล่ปาอันนี้ิภาสนาที่ไหนบรรลุได้ไหมไม่มีเลยเพราะมีคุณสมบัติอย่างพิเศษสัตย์ที่ตถาคตัสบุติมีศรัทธาในสังพุติยานของ พระภูมิประภาคคำถามเหล่านี้มันคำถามที่ปัจจุบันนี้ถามมันไม่ได้เกิดจากปัญญามันไม่ได้เกิดจากหีมังสานะโยมอันนี้เกิดจากวิจิกิจจาความหลังได้สงสัยเอาไว้จะคิดว่าเราฉลาดเลยมีการมีมังสาไม่ใช่อันนี้เกิดจากวิจิกิจจาความหลังได้สงสัย ถ้าเขามีบีมังซาหรือปัญญาสิ่งที่เขาใส่ใจคืออะไรคือทุกข์มันจะเกิดขึ้นยังไงดับที่ไหนปฏิปทาอย่างไรอะไรคือราคะอะไรคือโทสะอะไรคือโมหะจัดการประพฤติปฏิบัติเผื่อละราคะโทสะโมหะอย่างไงตกลงตาหูจมกูกติงกายใจเที่ยงในไม่เที่ยงทุขหรือทุกข์ ของเราหรือไม่อันนี้แหละลักษณะวีมังซาสติปัญญาส่วนคําถามที่พูดเกินมาในใจของหลายล้อยคนนะคือมันไม่ได้เกิดจากปัญญาส่วนมากมันเกิดจากวิชิกิจจาความหลังทีสงสัยพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้ทมอะไรโยมรับประตาคทำขอ ง, องของพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมรับโอวาท ด, ด้วยความศรัทธา แล้วก็ทุกรูปก็เดินทางไปถึงที่เดินต้องเข้าใจว่าจิตใจมีพลังมาแค่ไหนต่างๆที่เดือดร้อนโดนตลอดสามเดือนโดนตลอดสามเดือนก็ยังยอมไปนี่คือเรียกว่าเป็นจิตโหนไปสู่พระรัตนตรยัยอย่างดี หรือว่าปัจบันภาสาสรผู้เป็นภาษั ป, ปัญโญหรู้ว่าเป็นผู้มีความรู้รู้ทางความดับแห่งทุกข์นี่คือความมั่นใจในธรรมะพระราตนาตรัยไม่เหมือนแบบบางครั้งเวลาปัญหายุคปัจจุบนันนี้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเราก็นี่แหละอยู่วัดแล้วก็ตะลอกันกับคนอยู่วัด บางคนบอกว่า่อไปนี้เราไมมาวัดถึงแม้จะพระพุทธเจ้าสเสด็จมาทีนี้ก็เราไม่มาอีกบางคนก็พูดแบบนี้แม้พระพุทธเจ้าก็เราไม่มาทีนี้อีกความจริงก็ไม่ใช่คาพูดนะโยมแม้ความดําริแบบนี้ก็อันตรายต่อปฏิาทาเราหีืก็เป็นสาระนาของเขาไม่สะอาดเปื้อนแล้วถ้ากิดแบบนี้ การพูดก็หวางไว้ก่อนคำพูดแค่คิดแบบนี้ก็มันทำให้สราระของเราไม่บริสุทธิ์ไม่ผปรงใสตะลูกขาดไม่สะอาดแล้วลก็เลยกระพราสมสิรูปลับไปถึงจุดเดิมที่เดิมตั้งแต่วันแรกนี่เลย แม้เดินยืนนั่งนอนเจริญเมตตากรรมฐานเมื่อไรจะมีความดำริจะสาธยายธรรมะเอาการนียเมตตาสูตรสาธยายนี่แหละโยมการปฏิบัติของพระสามสิรูปอะ